เห็นว่าการเล่นการสนุกสนานไปอย่างนั้นเป็นความสุขสบายใ น, นี้เรื่องมันนะไม่อดไม่ทนเลยการนั่งการนั้นอืแสดงว่ามันภาวนาะไม่เป็นเลยนะนั่งภาวนานอนหนึ่งก็ดุกดิบดุกดิบตัวนี้นอนนอนนี่ น, น, นี่อยู่ไม่ไห ว, ไวน ะ, ะทำท่าไปยิ้ยว อ, อันนี้ ไปเยี่ยวกว่าไปเลยวั น, นี้นะนั่นแสดงว่ามันมันไม่ใช่มันฝึกตนนะแบบนั้นนะคนฝึกตนนะมันต้องเข้ารบตอวระเบียบเพื่อนทอยังไงเราต้องทาไปถ้าไม่จบพิธีเราก็ไม่หนีอ่ามันต้องอย่างนั้น ต้องอดต้องทนนี่คนเขารบต่อระเบียบหวังจะฝึก้นให้เป็นคนดีนะมันต้องอย่างนั้นนะถ้าไม่เข้ารบต่อระเบียบแล้วใจมันก็หลาะแหละเตือนดรออยู่นั่นแหละทำความดีอะไรก็ไม่สำเร็จเมื่อการปฏิบททัติธรรม มันก็ทำไปไม่ได้อย่างนี้แล้วมันจะไปทำการงานทางโลกหาเงินหาทองอะไรก็เขานะ่ะไม่มีทางมันจะได้คนใจเราแหละถ้าเป็นผู้ใจหนักแน่นในขณะที่ฝึกตอนอยู่เช่นนี้นี่ฝึกไปฝึกไปใจความมันก็หนักแน่นไป ถึงอยู่ไม่ได้ซึก อ, ออกไปนิสัยที่เคยฝึกตนมาเป็นคนใจคอหนักแน่นอย่างนี้ไปทำงานทำการอะไรมันก็สำเร็จไปได้ทำนาทำสวนก็เป็นนาเป็นสวนจริงๆไปรับจ้างทำการงานให้เขา ทนมีความอดทนต่อความยากลำบากนายจ้างเขาก็เห็นใจเขาก็จ้างต่อบางทนมันก็ขึ้นค่าแรงให้อีกคนใดทาการงานไม่ย่อท้อเมื่อผลงานมันปรากฏแก่สายตาเขาอย่างนี้นะนั่นแหละคนเรานะถ้าหาว่าผู้ใดฝึกตนฝึกจิตใจ ใ, ให้หนักแน่น อยู่ในคุณงามความดีได้แล้วตั้งอยู่ในฐานะเสนไหก็ดีหมดออดีไปหมดทำอะไรก็ดีไปหมดพูดอะไรก็ดีไปคนใจหนะักแน่นคนใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆอย่างนี้นะทำอะไรมนะันก็ดีอ ไปเลพูดอะไรก็ดีไปเพราะใจมันหนักแน่นไม่รู้อำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงคนใจคอหนักแน่นย่องเคารพต่อระเบียบต่อศีลต่อวินัยอย่างเต็มที่ไม่คำนึงถึงความยากลำบาก ถ้ามันเป็นสิ่งเหลือวิสัยแล้วก็พุทัตเจ้าก็ไม่ได้ทรงบัญญัติให้ทําหรือให้ละเวทที่พระองค์ทรงแนะนําให้ลงมือทํานั่นแสดงว่าไม่เหลือวิสัยบุคคลสามารถทําได้ทรงสอนให้เพียรพยายามละก็เหมือนกันนะแสดงว่าไม่เหลือวิสัยสามารถละได้แต่ว่า ต้องทำใจเข้มแข็งให้หนักแน่นอย่างว่านั่นแหลมันก็จึงละสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นความชั่วทั้งต่างได้พูดแล้วจวงว่าอะไรอะไรมันก็มารวมลงที่ใจดวงเดียวนี่แหละ <c oughs> ถ้าใจดวงนี้ไม่ดีแล้วก็เป็นอนันว่าไม่ดีหมดการทำอะไรทางกายก็ไม่ดีพูดอะไรทางวาจาออกมาก็ไม่ดี การทำหรือการพูดนั้นมันต้องเป็นไปตามกิริยาของจิตถ้าในขณะนี้จิตใจมันคิดโลภอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดอย่างนี้นะมันก็ใช้กายทำไปในแสดงออกถึงความโลภความอยากได้สมบัติเข้าของเงินทองอะไรมากมาย เกินกว่าสติปัญญาของตนที่จะหาได้โดยทางที่ชอบเมื่อเมื่อมันหาเอาไม่ทันกับความอยาก <c oughs> เช่นนี้แล้วมัน ก, มนก็มันก็หาเอาในทางทุจริตแหละมันเป็นอย่างนั้นหาเอาในทางทุจริตบางคนน่ะไปรักผู้หญิงเข้าไปแล้ว เขาเรียกเอาสินสอดเมื่อนหนึ่งอนี้ตัวไม่มีเงินเนี่ยความรักอะไรนั้นมันรบกวนจิตใจไม่หยุดจังก็ไปหาจี้ปล้นเขาเพื่อจะได้เอาเงินเมื่นนั้นไปให้ค่าสินสอดแต่งงานกับผู้หญิงที่ตนรักนั้นะในที่สุดมันก็ไม่ได้ไปแต่งงานซั้งตำรวจเขาตามจับได้นะ ก็ไปติดคุกติดรลางอยู่ไปเลยพลาดจากความรักอันนั้นไปนี่ความโลภนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลโอธรรมมาังประริปันโถวความโลภเป็นอันตรายแห่งการปฏิบัติธรรมมันเป็นความจริงเนี่ยบุคคลผู้มีความโลภอย่างนั้นนะมันไม่ใฝ่ใจ ในอันที่จะฝึกตนให้ดีไม่ใฝ่ใจในการที่จะคิดละความชั่วออกจากตัวเพราะความอยากมันครอบงามจิตมันก็จึงไปแสวงหาแต่สิ่งที่ต้องการปรารถนานั้นมันจะเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษไม่ว่าแล้วเขามันทั้งนั้นว่าแต่ขอให้ได้ อ, อันนี้แหละบุคคลผู้ไม่ได้ฝึกตนนะ ตกเป็นทาตุแห่งความโลภมันก็ให้ ไ, ไปทำบาปทำกรรมต่างๆนานาอย่างนี้ถ้าบุคคลไม่รู้อำ น, นาจแห่งความโลภอย่างนี้ก็ต้องรู้จักประมาณตนนะก็ไปรักกับบุคคลที่มันพอที่จะเข้ากันได้นั่นฐานะพอๆกันอย่างนี้ก็ เมื่อติดต่อทาาถามเห็นว่าเขารักตนจริงอย่างนี้นะก็ค่าสินสอดก็คงไม่แพงเท่าไรในการที่เมื่อเกิดความพอใจกันทั้งสองฝ่ายทั้งมารดาบิดาก็ดีก็ต้องไปตามฐานะ ไอ้ตนฐานหน้าต่ำแล้วไปอยากไปได้คนอยู่ในฐานะสูงอย่างนี้มันจะได้ยังไงเนาอันนี้แหละแสดงให้เห็นลักษณะของความโลภในกามนะมันก็ได้ประสบความทุกข์ในภายหลังไปติดคุกติดตรังอย่างที่ว่านั่นนะถ้าผู้ใดรู้จักประมาณตนไม่ร้วมหน้าเกี่ยกความโลภแล้วตนอยู่ในสถานะเช่นไร ก็หาครูครองตามฐานะของตนนั่นมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรเมื่อตอนหวังความเจริญต่อไปเราตั้งอกตั้งใจทําความดีไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วอมันก็ค่อยดีไปดีไปแต่ชาตินี้แหละเมื่อทําความดีไม่ท้อไม่ถอยไม่ไปทําความชั่วอันทีแรกนี่มันก็ต้องเอาทุกเป็นทุนก่อนแหละ ใครจะไปไปนั่งสวยสุขเลยโดยไม่ต้องเอาทุกข์ลงเป็นทุนก่อนนี่ไม่มีอะในโลกอันนี้นะมีแต่บนสวรรค์นั้นเท่านั้นนะแต่ในโลกมนุษย์เรานี้ต้องทำงานทั้งนั้นเลยต้องเอาทุกข์เป็นทุนแหละผ่านความทุกข์มาอย่างโชคโซนแล้วก็จึงได้รับความสุขในภายหลังไม่ว่านักบวดไม่ว่าเครือขัดเหมือนกัน นักปวดนี่กว่าจะได้รับความสุขความสบายใจแล้วก็ต้องมีความภาคเพียรพยายามฝึกจิตใจของตนไปตามคำสอนของพระ เ, เจ้าเพียรพยายามเจริญสมถาวิปัสนาไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วกิเลสมันก็เบาบางออกไปจากจิตใจนั้น เมื่อกิเลสมันเวาวางาไปเท่าไรจิตใจก็ได้รับความสบายไปการบวชอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรผู้เดือดร้อนก็เพราะขาดความเพียรความพยายามดังนั้นกลัวว่าการเป็นนักวดเนี่ยจะได้รับความสุขความสบายตามสมมาทสงควรแก่ฐานะได้ มันก็ต้องผ่านการฝึกตนทรมานตนมาอย่างโชกโชนลอดล้มลอดตายนู่นไม่ตายก็จึงได้สเสบยผลแห่งความดีที่ตนทำนั้นในปัจจุบันนี้แหละแต่ว่าผลอันนั้นมันมันผลเกิดจากทางใจได้รับความสบายใจใจเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับกิเลสขึ้นอยู่กับธรรมะของจริงธรรมะของจริงแล้วมีอันเดียวเพราะฉะนั้นมันถึงมีอิสระไม่มีสิ่งใดจะไป ผ, ผูกมัดลัทึิ์ได้ออจิตที่รู้จริงนะมันมีอิสระอยู่โดยลำพังจิตที่ยังไม่รู้จริง มันก็มีกิเลสและเป็นเครื่องร้อยรัดอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีอิสระเลยกิเลสมันปั่นใจให้อยากได้อะไรต่ออะไรสารพัดไม่มีสิ้นสุดนั่นน่ะนั่นแหละเมื่อระ ง, งับความคิดอ น, นั้นไม่ได้มันก็ต้องไปแสวงหาตามที่ต้องการปรารถนานั้นๆ การแสวงหานั่นแหละมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขนั่นผู้ภาวนาทั้งหลายต้องใคร้ควรต้องพิจารณาดูขึ้นชื่อว่าการแสวงหาแล้วจะให้มันเป็นสุขไปนี่ไม่มีทางหรอกอืมันต้องเอาทุกข์เป็นทุนทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเหมืนนี่มันที่มันร่ายกายก็ คนไม่รู้จักวาทนาบา ร, รมีของตนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อตอนบุญน้อยนะไปเสวงหาทรัพย์สินเงินทองอะไรไปมันได้แต่น้อยอย่างเงี้ยมันไม่ได้มากตามความอยากของหัวใจมันจะเกิดความโลคขึ้นจึงได้ไปทำบาปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเป็นอยงั้นถ้าผู้ใดรู้จักประมาณตน รู้จักว่าตนนั้นมีบุญน้อยมีสติปัญญาน้อยเข้าใจว่าแต่ชาติก่อนตนทำอะไรก็ทำน้อยทำความดีไม่ได้ทำมากพอเกิดมาชาตินี้ผลแห่งความดีนั่นมันจึงมาอำนวยให้แต่เพียงเล็กน้อยเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วตนก็ปฏิบัติตนไปให้ พอดีพอ ง, งามกับบุญวัฒนาของตัวเองนั้นไม่เทีเยวทยานเกินขอบเขตไปคาว่าเกินขอบเขตนที่นี่หมายความว่ามันเลยสินเลยทำไปนั่นแหละทำอะไรถ้ามันล่วงสินแล้วมันเป็นโทษทั้งนั้นเลยล่วงทำไปแล้วก็เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อสำคัญจึง อยู่ที่ว่าทุกคนต้องมารู้ตัวต้องเชื่อต่อก ร, รมต่อผลของกรรมที่ตนทำมาถ้าใครไม่เชื่อต่อกรรมต่อผลของกรรมที่ตนทำมาในอดีตก็ดีที่ตนทำอยู่ในปัจจุบันนี่ก็ดีเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่ปรับพฤติตนให้พอดีพองามตามฐานะของตน มันจะประพฤติตนเลยขอบเขตบุญวาสนาของตนออกไปไปทำบาป ท, ทำกรรมอย่างที่ว่านั่นแหละ <c oughs> นี่พูดถึงสำหรับบุคคลที่ยังละกิเลสบาป ท, ทำไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ข้อสำคัญจิงว่าให้มาทบทวนดูตนของตนทุกคนนี่นะคน คนส่วนมากมันไม่ค่อยมองดูตัวเองไปมองแต่บุคคลอื่นและสิ่งอื่นนุ่งสำคัญว่าตนดีอยู่ล่ำไปอย่างนี้นะไม่ทวนกระส์แสจิตเข้ามามองดูกายดูจิตของตัวเองเหตุนั้นมันถึงแก้ไขตัวเองไม่ได้เลยตนเองหลงเห็นผิดอยู่อย่างไรก็เห็นผิดอยู่อย่างนั้นแหละ ทนเองสะสมกิเลสมาแต่ก่อนมากน้อยเพียงใดมันก็มีอยู่เท่านั้นแหละกิเลสมันไม่ได้เบาบางลงเลยเพราะว่าทนไม่ได้คิดละมันเลยนี่มีแต่คิดสะสมให้มันมากขึ้นโดยลําดับอย่างนี้นะ้วจะให้กิเลสมันเบาบางได้ยังไงอ่ะอนั่นแหละการภาวนาพระพุทธเจ้ายัางสอนให้ทวนกระแส จ, จิตเข้ามา ภายในให้มาเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ถ้าผูใ้ใดทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งอยู่ลมหายใจเข้าออกนี่อยู่ก็รู้ตัวได้ก็รู้เรื่องของตัวเองได้เลยเป็นไงน ตนเองมีบุญน้อยมีวาสนาน้อยตนเองมีบุญมากก็รู้ได้มันเป็นอย่างนั้นถ้าใครไม่มาทวนกระแสเข้ามา เ, เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ไม่รู้แม้กระทั่งจิตก็ไม่รู้เลยเจิตตนมันดีมันชั่วยอย่างไรก็ไม่รู้เลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าพากันระมา ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาในเวลาว่างๆอย่าไปเลือกการเลือกเวลาอย่าไปเลือกว่ากลางวันหรือกลางคืนว่างเวลาไหนก็ น, นั่งสมาธิภาวนากันลงเวลานั้นมแม้จะ น, นั่งได้ไม่นานก็ตามแต่เมื่อเราหัดนั่งไปบ่อยๆเข้าไป มันก็ค่อยได้นานไปอยู่ในตัวมันชินนะท่านนั้นนะจึงไป น, นั่งทีหนึ่งเนี่ยไม่ไหวอะ่ะเพราะว่าเส้นเอ็นมันไม่ทมันไม่ย้อนยานมันตึงมากถ้าพระในหัดนั่งสมาธิภาวนาไปบ่อยๆเข้าเส้นมันก็ยืดออกไปเลือดลมมันก็เดินไปได้สะดวก มันก็ได้ตามสายทางของมันนั่นแหละในเมื่อมันทําไปจนชำนิชำนาญแล้วจนหลายครั้งไปแล้วเว้นเสียแต่ผู้ที่มีโรคภัยเบียดเบียนร่างกายอยู่อันนั้นมันก็ไม่ไหวล่ะเอา้ามันมันนั่งภาวนาไม่ได้ก็อ น, นอนภาวนาเอาเดินภาวนาเอา มันเดินถ้าเดินได้ไม่ปวดแข้งกวดข า, าเกินประมาณอย่างนี้นะเราก็ใช้อิทธิบาทเดิน WW. นั่นแหละเดินบ้างยืนบ้าง ก, <ม>ก็เดินกำหนดจิตพิจารณาร่างกายยืนก็กำหนดจิตพิจารณาร่างกายนี้นี่ไม่ใช่ว่า ไปภาวนาแตกต่างกันในอริยบททั้งสี่นะี่อันเดียวกันนั่นแหละตนนั่งแล้วตนพิจารณาอย่างไรทำใจอย่างไรยืนอยู่ก็ทำใจอย่างนั้นแหละเดินไปก็ทำใจอย่างนั้นนอนลงก็ทำใจอย่างนั้น เ, เ, นนนนนนนเมื่อเราทำใจอย่างเดียวกันไปหมดแล้วมันก็ชำนี้ชานานเลยบนี้นะ บางคนก็มาถามอยู่เอา้าเวลาเดินทำยังไงเพราะว่าเวลานอนทำยังไงพราอาก็ทำอย่างเดียวกันนั่นแหละความมุ่งหมายก็เพื่อให้รู้ตัวเองนั่นนะการภาวนารู้จิตนีนนะ่จิตรู้จิตนั่นเองเดี๋ยวนี้จิตมันยังรู้จิตไม่ได้ ตัวเองยังควบคุมตัวเองยังไม่ได้ยังตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่ต้องให้รู้ตัวอย่างนี้เรืองมันนะเมือ่อผู้ใดรู้ตัวว่าตนตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนี้มันก็จะไม่นิ่งนอนใจนะก็จะเพียรพยายามฝึกใจของตนให้มันเข้มแข็งเข้าไปให้ใจมันกล้าหาัเอือ ไม่หวั่นวั่นพันพึงต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มากวนใจจะทำใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไม่ไปตามมันนี่เราก็ฝึกกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเราจะไปคอยว่ากิเลสมันสงบไปซะก่อนแล้วจึงได้ฝึกจึงได้นนั่งสมาธิภาวนาถ้ากิเลสยังลบกวนใจอยู่เนี่ยนั่งไม่ได้หรอก คนส่วนหลายก็มกักจะพูดอย่างนี้แหละาฉันนั่งภาวนาไม่ได้ดอกจิตใจมันยุ่งเหยิงเหลือเกินนั่งได้ก็ไม่ได้ผลอะไรเลยใจไม่อยู่ อ, อืผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้พูดอย่างนี้นะ อ, อก็เรียกว่ายอมแพ้ต่อกิเลสโดยประการทั้งปวงเลยไม่คิดว่าจะต่อสู้กับกิเลสตัณหาอะไรเลยเ อ, อื เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็จะต้องตกเป็นทาสของกิเลสทันหาอยู่นั้นเนี่ยล่าไปคนไม่รู้จักหลักของการปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยถ้าถ้าผู้รู้จักหลักของการปฏิบัติแล้วมันจะไม่ยโยท้ออย่างนั้นก่อนอื่นเมื่อก็ต้องนึกะมวลน้อมเอา คุณพระรัตน์ไกลแก้วทั้งสามก็ดีบุญกุศลความดีที่ตนทำมาน้อมรวมเอามาไว้ที่ใจนี่ทำใจให้ชื่นชมยินดีกับบุญกับคุณอนั้นให้เต็มที่เลยอย่างงี้ก็เมื่อใจนี่มันได้บุญได้คุณเป็นกำลังแล้วมันก็เข้มแข็งเลยวันนี้นะกิเลสอันใดมันจะมาปั่นจิตนี้ให้ อ่อนแอท้อแท้ไปจิตนี่ก็ไม่ไปตามไม่อ่อนไปตามกิเลสพอได้บุญได้คุณเป็นกำลังใจอยู่แล้วมีคนที่ฉลาดคนที่เข้าใจหลักปฏิบัติก็จะไม่ย่อท้อต่ออำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นก็คนไม่ยึดเอาบุญเอาคุณเป็นหลักเป็นที่พึ่งในใจนะ เหมือนอยังบุคคลผู้ที่ไม่ได้รับประทานอาหารแล้วไปขึ้นเวทีชกมวยอย่างนี้นะมันจะเอากำลังที่ไหนมาสู้กับคู่ชกให้พ่ายแพ้ไปได้หรือก็ไม่มีอาหารเป็นหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีกำลังเข้มแข็งมันก็ไม่ได้ต้องแพ้เขามันยังค่ำหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นนะ จิตใจของอุคคลผู้ใดไม่มีบุญคุณเป็นกำลังหล่อเลี้ยงแล้วมันก็ต้องพ่ายแพ้ถอมนาจของกิเลสตัณหาอยู่วันยังค่ำเหมือนกันอย่างนั้นดังนั้นอย่าไปยอ่อทอเมื่อรู้ว่ากิเลสมันรุมเล่นงานจิตนี้มากๆานี่แล้วคนนึกอธิษฐานใจถึงคุณพระรัตนากลอธิษฐานใจถึงบุญถึงกุศล คุณงามความดีที่เราได้กระทาบาเพ็ญมานี่ขอให้มาตั้งอยู่ที่ใจข้าพเจ้านี่มาเป็นที่พึ่งที่ ล, ลึกของข้าพเจ้าด้วยอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงนี่ขอให้มารคือกิเลสทั้งหลายจงพ่ายแพ้ไปเมื่อที่ฐานใจอย่างนี้แล้วต่อจากนั้นก็ยึงทาความเพียรเพ่ง กรรมาฐานต่อไปอา้าวผู้ใดจะนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ก็นึกไปเพราะว่าความตายนี่เป็นของแน่นอนเลยเราหลีกไม่ค่อนนะอันนี้ก็ไม่ควรที่จะละเลยต้องมันนึกบ่อยๆทีเดีย ว, วเพราะเมื่อผู้ใดมานึกถึงว่า ชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวแล้วไม่นานอะไรเลยอย่างนี้นะคุณนั้นก็จะตื่นตัวได้จะบรรเทาความประมาทความเพลิดเพลินต่างๆลงได้เพราะมองเห็นชีวิตนี่มีน้อยเดียวหนึ่งไม่ทราบว่าจะเพลิดเพลินไปเอาอะไรอะ่ะทาอย่างไรเราจะมีที่พึ่งทางใจให้ได้มากที่สุดก็รีบเร่งเข้าไป มันจะไม่ทันกับเวลาสักหน่อยความตายมาถึงแล้วก็ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเลยไม่ได้อบรมสติปัญญาอะไรให้เกิดขึ้นแล้วก็ตายไปทั้งที่ถูกกิเลสครอบงำย่ายีไปอย่างนั้นนะตายไปสู่โลกหน้าก็หามมีความสุขไหมนั่นแหละกิเลสกับบาปนั้นมันสายเดียวกัน น, ะนั่นแหละ เมื่อบุคคลใดไม่บรรเทาไม่ระ ง, งับกิเลสจำยามันออกจากหัวใจแล้วบาปมันก็ได้ช่องแล้วบาปที่ผู้นั้นทำมาแต่ก่อนนั้นน่ะมันก็มาสมทบกับกิเลสเข้าเอเมื่อผู้นั้นตายลงบาปนั้นมันก็ฉุดคล้าเอาดวงขีดนี้ไปสวยทุกขทรมานอออยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งในสี่ภูมินั้นน่ะ อย่างนี้ให้พากันเข้าใจไอ้โทษที่บุคคลเราไม่ฝึกผลอารมณ์ตนนะ่ะแล้วที่พระเจ้าตัดว่าไปตกนรกนั่นนะมันก็เป็นความจริงแหละมันจะไม่ตกยังไงเล่าเพราะว่าปล่อยใจของตนให้บาปอากุศลมันครอบงำอยู่นี่มันมันอยากโกรธมาก็โกรธไปอย่างนี้นะมันอยากฆ่ามาก็ฆ่าไปมันอยากตีมาก็ตีไปอย่างนี้นะ มันอยากด่าอยากแช่งใครกดด่าไปแช่งไปอย่างนี้นะนั่นแสดงว่าจิตของผู้นั้นเป็นอกุศลอกุศลครอบงําจิตผู้นั้นอยู่ผู้นั้นสู้อานาจของบาปอากุศลไม่ได้จึงแสดงออกทางกายทางวาจานี่ต้องให้เข้าใจถ้าผู้ใดไม่แสดงออกทางกายวาจาอย่ า, า, ยยางหยาบคายอย่างที่ว่านั่นนะ ก็แสดงว่าบาปอากุศลไม่ได้มีอยู่ในจิตใจผู้นั้นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นะทุกคนมันควรจะรู้ตัวนะออาพอได้รู้ตัวว่ากิเลสยำยับอย่างนั้นไม่มีอยู่ในใจของตนเช่นนี้ก็พยายามรักษาใจที่ดีๆนั้นไว้เรื่อยไปอย่าให้มันตกไปเป็นทาสของกิเลสเหล่านั้นอีกต่อไป นี่อย่าไปเข้าใจว่าเออใจตนมันดีแล้วไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเนี้แล้วก็ลืมตัวไปเสียไม่ได้ควบคุมจิตไม่ได้ระมัดระวังอย่างนี้ไม่ถูกต้องเป็นความเข้าใจผิดไปเพราะกิเลสที่ตนละไปนั้นนะมันก็ยังไม่ขาดโดยแท้จริง รากเง่ามันยังไม่หมดถ้าถ้าเปรียบอุปมาเหมือนยังทำลายต้นไม้อย่างนี้ก็เพียงแต่ตัดก้านลานกิ่งมันลงเท่านั้นเองยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนของมันเลยมันก็งอกออกมาอีกเมื่อมันได้จังหวะของมันแล้วขี้เลกก็เหมือนกันเวลามันไม่ได้โอกาส มันก็สงบนิ่งอยู่ก็จิตใจคนเราเน้่ก็ดีสบายไปอย่างนี้แต่คั้นพอมันได้โอกาสเมือ่อใดแล้วเนี่ยมันก็ลุกขึ้นมาเลยมาครอบงำจิตเนี้ยให้ส่ร้าหมองขุนมัวไปให้เพลิดเพลินให้ฟุ้งซ่านรำคาญไปส่างๆ น, นานาเข้าไปแล้ววันี้นี่ มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะไปไว้ใจกิเลสได้ยังไงเมื่อตอนยังละถอนรากถอนโคนมันยังไม่ได้แล้วก็ต้องทำความเพียรพยายามรักษาจิตอันมันตั้งมั่นอยู่แล้วนั้นไว้ให้มันตั้งมั่นสม่ำเสมอไปแล้วก็หมั่นพิจารณาเรื่องบา บ, บุญคุณโทษต่งางๆพวกนี้ให้มันเห็นแจ้งในใจอยู่เรื่อยไป เมื่อมันเห็นแจ้งว่าสิ่งนี้เป็นบาปตนละแล้วหรือยังถ้าว่าตนละแล้วตนก็รู้แบบนี้ถ้ายังยังละไม่ได้ก็รู้ในเมื่อตนทบทวนดูแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าบาปอย่างนี้ตนยังละมันไม่ได้ก็เอาจะได้อธิษฐานใจละมันบัด น, นั้นอ่านเลแต่คนส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นนี่ ไม่รู้แม้แต่ตัวบาปซ้าเลยไม่นึกว่ามีบาปอยู่ในใจของตนนะไม่นึกเลยมันเป็นอย่างนั้นผู้ใดไม่ทวงกระแสจิตเข้ามาภายในมาเพ่ง <c oughs> ไม่มาเพ่งดูจิตใจอยู่เสมออย่างนี้ไม่รู้อะไม่รู้จากบาปจริงเพราะบาปมันอยู่ที่ใจเนียไม่ได้อยู่ที่อื่นนี่ ดังนั้นถ้าไม่มารู้ใจตัวเองนี่ก็ไม่รู้จากบาปเหมือนกันบาปไม่มีก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ใจนี่แล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมา น, นะเพราะฉะนั้นทุกคนให้ทวนกระแสจิตเข้ามาให้มันได้ระลึกเข้ามาหากายหาใจนี่นะข้อสำคัญนะต้องมันระลึกเข้ามาบ่อย เมื่อรลึกเข้ามาสติร ล, ลึกเข้าไปถึงใจได้ควบคุมใจได้เอาใจก็เพ่งดูร่างกายแนี้ให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นร่างกายนี้นะว่าร่างกายนี้นะควรยึดถือเอาว่าเป็นของตัวของตนหรือไม่ไม่ควรเพราะเหตุไรจึงว่าไม่ควรก็เพราะมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง เมื่อสิ่งใดบังคับไม่ได้แล้วจะไปถือมั่นว่าเป็นของเราได้อยู่อย่างไรถ้าไปขืนถือมั่นอยู่นั้นมันก็เป็นทุกข์เราเป่าอือย่ามาถือมั่นในร่างกายว่าเป็นตัวตนอยู่เนี่ยพอ ร, ร่างกายนี่มันเจ็บไข้ได้ป่วยลงโรคภัยเบียดเบียนเอาเข้าไปเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาอนั้น จิตใจนี้ก็เดือดร้อนแล้วพราถือว่าตนเจ็บตนป่วยออตนเป็นอย่างนน้นตนเป็นอย่างนี้นีนเนนน่เมื่อมันสําคัญว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์แลบแบบนี้นะเดือดร้อนนะออนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าผู้นั้นมาพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่เสมอว่าขันทั้งห้านี้ไม่ใช่ของเรา ไม่ควรยึดไม่ควรถือว่าเป็นของเราเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยินดีในเวลาขันห่านี่มันเป็นปกติมีความสุขความสบายก็ไม่เพลิดเพลินไปทมความสุขอันชั่วคราวนั้นเพราะว่าความสุขกายสบายใจนี้เป็นได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละไม่ได้ไม่ได้เป็นสุขตลอดสม่ำเสมอไปไม่ไม่ได้ นี่เพราะฉะนั้นจึงไม่ยินดีในเวลาร่างกายเป็นปกติอยู่เวลาร่างกายวิบัติลงแปรปวนไปก็ไม่ยินร้ายไม่เสียใจไม่เศร้าโศกเพราะอะไรจึงไม่เศร้าโศกเสียใจก็เพาะเห็นแจ้งแล้วว่าไม่ใช่ของเรานั่นแหละมันบังคับไม่ได้ จะไปเสียใจเศร้าโศ ก, กมันทำไมนี่เมื่อเวลาขันดังห้าอันนี้มันวิบัติแปรพวนไปผู้มีปัญญาก็ไม่เสียใจปรงลงได้วางได้ทำจิตเป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งได้ถ้าโปรงลงได้นั้นแล้วจิตจิตจะไม่รู้สึกทุกข์เลยหรือรู้ รู้อยู่อย่างนั้นแหละจะไม่รู้ยังไงเพราะว่ายังไม่ได้พากจากขันห้านี้นี้ดวงจิตเนี้ยยังอาศัยขันห้านี้อยู่จะไม่ให้มันรู้ความเปลี่ยนแปลงแปรผันของขันห้านี้ไม่ได้รู้เมื่อรู้แล้วว่าขันห้าไม่ใช่ของเราแล้วก็อดทนเอาทำอย่างไรได้เพราะว่าตนยัง วางขันห้านี้ยังไม่ได้จนยังพ้นจากขันห้านี้ไปไม่ได้ก่อนยังต้องอาศัยขันห้านี้อยู่เพราะบุญกรรมยังมีนั่นแหละบุญเก่าด้วยนะยังมารักษาอยู่แล้วถ้าบุญรักษาอยู่ทำไหมมันยังเก็บยังปวยสแสดงว่าบุญนั้นมันร่อยหลอไปแล้วเมื่อบุญนั้นมันน้อยลงไปแล้ววันี้ ร่างกายนี้มันก็ทุดโทมลงเมื่อร่างกายทุดโทมลงอันี้มันก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆออมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงว่าชลากับพญาทีนั้นเป็นคู่กันนะเมื่อร่างกายทุดโทมลงก็แสดงว่าบุญกุศลที่มาหล่อเลี้ยงร่างกายอันนั้นน่ะมันน้อยลงไปแล้วออพิจารณาให้มันเห็นข้อนี้นะ ถ้าบุญกุศลอย่างหล่อหรีอย่งร่างกายอันนี้อยู่ร่างกายนี้ยังจะไม่สุดโทมอก็เปล่งพลังอยู่ตามธรรมดาของมันอยู่งั้นแหล ะ, ะมันเป็นอย่างนั้นถ้าบุญนี่มันล่อยลอลงไปเมื่อใดแล้วมันก็สุดโทมไปทันทีเป็นอย่างนั้นแล้วโครคไข้ไข้เจ็บมันก็เหยียบย่ําทําลายเอาเลย เมื่อเราพารนารู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็อดได้ทนได้แบบนี้นะ อ, อ่าออทนนะก็มันไม่ใช่ของเราหนยจะไปเสียใจกับมันทำไมอ่มก็เตือนตนสอนตนเลื่อยไปอย่างนี้นะออถ้าเป็นของตนมันก็บังคับได้สิ บังคับไม่ให้มันเจ็บมันปวดไม่ให้มันร้อนมันหนาวมันก็จะไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้อนไม่หนาวนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละอุบายปัญญานะมันต้องมีอุบายสอนใจคนเรานะอย่าไปนั่งอยู่เฉยๆอ้าวเมื่อเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยลงอะไรนี่นะะแล้วก็ ตั้งสติควบคุมจิตใจให้มั่นคงอย่าให้ใจมันกระสับกระส่ายไปกับทุกขเวทนานั่ น, น, นเมื่อใจใตั้งมั่นอยู่ได้ดีเราก็สอนตนเข้าไปอย่างที่ว่านั่นแหละสอนให้มันปรุงวันวางขันห้าอันนี้ <Yeah. S 1> ผู้มีใจตั้งมั่นเท่านั้นแหะมันจึงสอนตนได้ในเวลาเช่นนั้น ถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วมันว่อนไหวไปตามทุกขเวทนาแล้วก็สอนตนไม่ได้เลยมเมื่อสอนตนไม่ได้มันก็ไม่มีความอดความทนเลยมันก็ดิ้นรนไปตามทุกขเวทนานั้นนะ่ะจิตเนี้ยเดี๋ยวนั้นให้เพึ่งพางกันจำอวายเหล่านี้ไว้ไม่มีใครจะมาสอนเราตลอดไปได้ในเวลาอย่างนั้นมาแล้ว ตัวเองละสอนตัวเองเลยอืคนอื่นเขาก็มาเตือนนี้นิดหน่อยแล้วก็แลี้ยงไปตัวเองก็ต้องสอนตัวเองทุกลมหายใจเข้าออกไปเลยสอนให้มันตรงสอนให้มันวางสอนให้ไม่ให้มันหลงสําคัญว่ามีตัวมี ต, มตนอยู่ในนี้อืเมื่อมันกําหนดรู้เท่าไหรมันก็ยิ่งเห็นแจ้งขึ้นในใจเท่านั้นแบบนี้นะ เมื่อมันเห็นแจ้งขึ้นในใจเท่าไรมันก็คลายความยึดความถือออกไปเท่านั้นนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นจึงว่ารวมลงแล้วว่าถ้าขาดความอดทนนิดสะอย่างเดียวแล้วเป็นไปไม่ได้เลยปัญญาก็ไม่เกิดมันเป็นอย่างนั้นจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ไม่ได้ เมื่อขาดความอดทนอดกั้นแล้วนะให้เข้าใจให้มันดีๆ ด, ดังนั้นเราจึงต้องสร้างความอดท น, นี้ไว้นั่งภาวนาถ้ามันไม่เหลือวิสัยยางคิงก็อย่าไปพริกมันนั่งก็ต้องนั่งให้ตัวตรงอยู่เงั้นอย่าให้มันโอนเอ็นไปมาต้องฝึกเอา เว้นเสียแต่โรคภัยมันเบียดเบียนจริงๆอันนั้นแท้มันก็เป็นไปตามธรรมชาติมันถ้าหากว่าไม่มีโรคภยคัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วอย่างนี้เราก็ต้องพยายามเลยพยายามฝึ ก, กจิตใจใมันเข้มแข็งให้มันตั้งมั่นไว้ฝึกไว้เพื่อเราจะได้ ไปต่อสู้กับมัจจุราชคือความตายพูดโดยตรงไม่ใช่อย่างอื่นใด้พราะเมื่อเวลาคนเราจวนจะตายเนี่ยมันทุกข์มากนะบรรดาความทุกข์ทั้งหลายมันก็ไปรวมอยู่ที่กายที่ใจนั่เนเองวันนี้เวลาใกล้จะตายเั่น ถ้าบุคคลได้ไม่ฝึกตนไปแต่เนิ่นๆ น, น, นี่แล้วพอไปถึงเวลานั้นแล้วจึงไปฝึกใจให้เข้มแข็งจึงไปขัดอดขัดทนนะไม่ไหวไม่ไหวจริงๆอ่ะ mm. มันต้องหัดอดขัดทนไปแตกยังไม่เจ็บหนักนี่อืนั่งภาวนาไป เอามันเจ็บมันปวดก็สอนใจเข้าไปนี่แหละเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาที่พวกพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาทุกวันทุกวันนั่นนะความเจ็บมันมีลักษณะอาการอย่างนี้แหละอความเจ็บนี่คือความที่ร่างกายอันนี้มันตั้งเป็นปกติอยู่ไม่ได้มันย่อมแปรปรวนไปกระทบกับจิตนั้นอแตอย่างนั้น จิตเมื่อไม่รู้เท่าเราก็เป็นทุกข์ัะนี้จิตก็วันไวไปตามกับขันห้านั้นถ้าจิตรู้เท่าจิตก็ไม่วันไวตั้งมัน่นอ่ากำหนดรู้เท่าทุกข์นั้นอยู่เสมอัะนี่นะใจตั้งมั่นแล้วขันห้าตังหามันเป็นทุกข์ทุกข์ไม่ได้มีอยู่ในเราเราไม่ได้มีอยู่ในทุกข์ เมื่อขันห้าไม่ไม่ใช่ของเราแล้วทุก็ไม่ใช่ของเรานี่ก็ต้องสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้มันก็เป็นความจริงนี่ถ้ามันไม่มีขันห้านี่อยู่มันอาการแปรปวนอย่างนี้มันก็ไม่มีนี่มันต้องพี่นาให้ดีเพราะเมื่อมันมีขันห้านี่แหละความแปรปวนวันไว้ไปมามันยึงปรากฏขึ้น ถ้ามีแต่รูปอย่างนี้นะไม่มีนามมาทำอยู่ในนี่มันก็ไม่รู้สึกร้อนหนาวเจ็บปวดอะไรเลยมีแต่รูปอย่างเดียวน้มไม่มีอนะ่ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีนามมาทำคือจิตนี่แหละเข้ามาอาศัยรูปอันนี้อยู่แล้วมันยึงกระจายกระแสของตนออกไปทั่วสันพนางร่างกายนี้นะกระแสของจิตนั่นแหละ มันกระจายไปอยู่ตามตาตามหูตามจมูกตามลิ้นตามอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทั้งๆพวกนี้นะเออทําไม่เกิดความรู้สึกทั่วร่างกายอันนี้อยู่มันก็ล้วนแต่กระแสของกิจนี่ทั้งนั้นเลยเอมันเป็นงั้นพอจิตนี่ถอนออกจากร่างนี้เท่านั้นแหละไอความรู้สึกเจ็บปวดร้อนหนาวอะไรในร่างกายนี้หายหมดเลยไม่มีแล้วออ อย่างที่เคยพูดให้ฟังบ่อยๆว่าบางคนก็เวลาจะตายนะมันก็ไม่ตายปุ๊บปั๊บทันทีค่อยตายมาทีเล็กแต่น้อยตายมาแต่พื้นเท้านุ่นทางข้างล่างก็ดีข้างบนก็ตายลงมาจังต่ศีสา น, นเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาเรื่อยๆ อาการร่างกายที่มันเย็นขึ้นมาแสดงว่าวิญญาณมันหดเข้าแล้วมันไม่ไปอยู่แล้วอวัยวะส่วนนั้นนะมันหดเข้ามาหดเข้ามาวันนี้มันก็มารวมอยู่ที่ใจนี่วิญญาณทั้งหลายก็ดับ เ, เวทนาสัญญาสังขารอะไรก็ดับนั่นแหละเมื่อมันมารวมอยู่ที่ใจนี่แล้ว เมื่อธาตุมโนธาตุอันนี้มันวิบัติเต็มที่แล้วจิตก็อาศัยอยู่มโนธาตุนี่ไม่ได้มันก็ต้องถอนออกไปพอมันถอนออกไปแล้วร่างกายอันนี้ก็ไม่รู้เจ็บรู้ปวดอะไรเลยจะเอาเข็มไปเหาะไปแทงตรงไหนมันก็ไม่อะไรทั้งนั้นเลยเหมือนกับเอาไปเหาะไปแทงท่อนกล้วยนะ มันก็เป็นอย่างนั้นนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาเห็นชัดอย่างว่านี้นลมันก็ไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาต่างๆนั่นจิตนี่นะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่านามธรรมก็เป็นของเกิดของดับไม่มีอะไรกิรังยั่งยืนเลย อย่างนี้นะก็เมื่อว่ามีเห็นว่ามันเกิดมันดับอยู่ตามเรื่องของมันนะมันเราก็รู้ทันเลยว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันก็ไม่ได้มีอยู่ในเราอย่างนี้นามมาทำเรานั้นนะมันก็เกิดก็ดับอยู่ตามเรื่องของมันเกิดดับอยู่ระหว่างกายกับจิตนี่แหละเมื่อกายกับจิตนี้ยังกระทบกันอยู่สัมผัสกันอยู่ นำมาทำเหล่านี้มันก็เกิดดับเกิดดับอยู่งั้นเลยอันที่นี้เมื่อร่างกายนี่มันหมดเขตก็มันลงจริงจรมันทำงานไม่ไหวแล้วนี่มันหยุดทุกส่วนแล้วนำมาทำทั้งหมดเหล่านั้นมันก็ดับลงไปมันก็ดับลงไปบัดนี้มันก็มีกุศลกรรมนิมิตหรืออกุศลกรรมนิมิต แสดงออกต้อนรับดวงกิดนี้แล้ววันนี้นั่นแหละผู้ใดมีบาปอยู่ในใจมากมันก็แสดงอกุสนกรรมนิมิตอันชั่วร้ายาต่างๆให้จิตเห็นนิมิต ด, ดีๆไม่เห็นแล้วคนมีบาปาคนมีบุญอย่างนี้มันก็จะแสดงตั้งแต่นิมิต ด, ดีๆสวยๆงามๆให้จิตอินดีลื่นล e ออในขนาดนั้นนะ มันไปนอย่างนั้นถ้าถ้าจิตเห็นนิมิตดีๆนะก็แสดงว่ามันจะต้องไปสู่สุขคติแน่นอนเมื่อละจา ก, กร่างอันนี้ไปแล้วท่านผู้สิ้นอาสะวะแล้วท่านไม่มีนิมิตอะไรปรากฏในใจของท่านเพราะว่าบุญท่านก็ทำหมดแล้วเต็มบริบูรณ์แล้วบาปก็ละไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้นถึงไม่มีนิมิตอะไรปรากฏในใจนีแต่เมื่อร่างกายอันนี้มันรองรับดวงกิจนี้ไม่ได้แล้วก็เป็นอ้นว่านิพพานกันเท่านั้นเองเอะนันอก็นิพพานกันเท่านั้นเลยนิพพานแปลว่าดับกิเลสตัณหาห้อยใหญ่ทั้งหลาย ดับไปหมดแล้วนามรูปก็ดับไปหมดอออย่างนี้นะกิเลสพร้อมทั้งนามรูปวันนี้ดับไปพร้อมกันวันนี้นะแต่เมื่อนามรูปวันนี้ยังไม่ดับท่านกล่าวว่าพระอระหันต์นั้นท่านละกิเลสขาดจากสันดานแต่ว่าขันธ์ปัญจากานี้ยังมีอยู่ ท่านเรียกว่าสอุ ป, ปาทิเสสะนิพันธ์ดับจะกิเลสแต่เบนจะขันยังอยู่ทีนี้เมื่อเหตุปัจจัยที่จะบำรุงขันธน์ห้านี้มันหมดลงไปขันธ์ห้านี้ดับลงบัน้ท่านก็เรียกว่าอนุ ป, ปาทิเสสะนิพันธ์ แปลว่าดับกิเลสพร้อมทั้งเบญจขันธ์หมายความว่ามันไม่มีกรรมอะไรที่จะไปตกแต่งขันห้านี้ให้ดวงขิดอาศัยอีกต่อไปไม่มีเลยเหตุท่านจิตตรงนี้มันถึงได้นิพพานไปนี้นะจึงเป็นนั้นว่ายุติการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายต่อไปพูดมาถึงตรงนี้นะ บางคนก็นึกวิตกขึ้นในใจเอ๊ะอะไรอะไรก็ดับปดแล้วนี่มันจะไปเอาความสุขมาจากไหน<อ>จะไปอาศัยอะไรจึงจะมีความสุขนี่บุคคลผู้ยังมีอุปทานอยู่ยังติดความสุขในโลกนี้อยู่ก็ชอบวิตกอย่างนี้แหละส่วนมากนะ ท่านผู้ที่รู้แจ้งในความสุขของโลกนี่แล้วว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขไม่ยั่งยืนเลยอย่างนี้ ท, ท่านจึงไม่ติดใจในความสุขของโลกอันนี้เมื่อท่านไม่ติดใจในความสุขของโลกอันนี้แล้วก็เท่ากับว่าไม่ติดใจในขันห้านี่แหละดังนั้นท่านก็ปรงก็วางขันห้านี่หมดเมื่อ ปงวางขันห้าได้หมดด้วยอำนาจแห่งปัญญาจริงๆกิเลสก็หมดไปพร้อมกันอย่างนั้นมันก็เหลือแต่จิตบริสุทธิ์อยู่อย่างเดียวอันนี้นทีนี้เมื่อสุดท้ายจริงๆแล้วจิตก็ไม่เรียกแล้ววันนี้นะอั น, นก็เรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าดับ ดับความเกิดแก่เจ็บตายท่องเที่ยวไปในสงสารในถ้าพูดโดยแฉมแจ้งแล้วนะสับของคำว่า น, นิพพานนี่นะนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรนะให้พึ่งพากันพิจารณาให้ดีก็ถ้าจะว่าตามความเห็นของบางคนที่ว่านั่นนะถ้ายังไปต้องอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ย มันก็ยังไม่เป็นสุขเที่ยงแท้แน่นอนเลยเพราะอาศัยบุญอยงเนี่ยถ้าบุญนั้นมันหมดลงจิตก็ไม่มีความสุขแล้ววันนี้ออความสุขก็หายไปเรื่องงานเรื่องมันนะอาศัยบาปมันก็มีแต่ทุกข์จะอย่างงั้นอาศัยบุญมีความสุขจริงแต่ว่าสุขใน เวลาที่บุญยังมีอยู่บุญยังไม่หมดเท่านั้นเองพอบุญนั่นหมดลงแล้วความสุขนั้นก็หมดไปตามกันนักปราชญ์ผู้มีปัญญาอันยอดเยี่ยมท่านมองเห็นอย่างนี้ท่านยิงไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวสุขในการกินสุขในการนอนนั่นแหละสุขในความเพลิดเพลินยินดีในหมอรสถกงานต่างๆ ทุกในเรื่องความกําหนัดหนัดอินดีในกิเลสกรรมามต่างๆหมดนั่นนะท่านผู้มีปัญญาอันยอดเยี่ยมและท่านไม่ยินดีไม่หลงไม่เพลินไปตามความสุขชั่วคราวเช่นนั้นเพราะมันเป็นความสุขไม่ยั่งยืนทางมันเป็นเหยื่อล้อให้ติดอยู่ในทุกขเป็นเหยื่อล้อให้คนเราสร้างบาปสร้างกรรม ใส่ตัวเองอและบาปกรรมนั้นมันก็ชุดไปสู่นรกอบายภูมิยูอย่างนั้นแหละบุคคลผู้ค้องใจอยู่ในกิเลสกรรมวัตถุกรรมนะเอาแน่นอนไม่ได้เลยชีวิตของผู้ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวอย่างที่ว่านั้น น, ะนี่แหละให้พากันพิจารณาเอาความจริงนะ ความสุขชั่วคราวเนี่ยเราได้ลิมรถมาตั้งไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วไม่เฉพาะได้มาริมรถในชาตินี้เท่านั้นแม่ชาติหลังๆที่ล่วงมาแล้วไม่รู้ว่กี่ชาติกี่ภพมาแล้วนะก็ได้ลิมรถแห่งความสุขชั่วคราวอย่างนี้มาอย่างนั้นและได้ลิมรถแห่งความทุกข์ทนทรมาน จากบากปอกุศลที่ได้ลุ่มหลงทำ ม, มาบางชาตินะบางชาติได้ทําบาปไปแล้วเอาชาติต่อมานี่บาปกรรมมันก็นามาเสวยทุกข์อยู่ในนรกอ่บาบยภูมินั้นเสวยทุกข์นั้นเป็นนานแสนนานหมดเขตของบาปกรรมมนนั้นแล้วอ่าบุญยังมีอยู่อ่ะบุญก็ ชุดเอาจากนรกมาเกิดเป็นคนเอกคันมาเป็นคนแล้วบังเอิญได้ไปคบหาสมาคมกับคนพานเข้าคนพาลมาชักชวนไปทางโอมชั่วเข้าไปอีกเพราะตนไม่มีปัญญานี่เขาชักชวนทําอย่างไรก็ทําไปตามออถ้าไม่ได้พบนักปลัดบัณฑิตแล้วเอาชีวิตนี้ หลังจากละโลกนี้ไปแลว้วก็ไปนอนอยู่ในนรกของเกาเออมันเป็นอย่างนั้นชีวิตของมนุษย์เหล่านี้นะมันขึ้นอยู่กับความรู้และความไม่รู้นี่นะเมื่อกล่าวโดวยสรุปใจความแล้วนะมเมื่อผู้ใดฝึกฝนอารมตนให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็เว้นจากทางที่ไปสู่ทุกข์นั่นเสีย ดำเนินแต่หนทางไปสู่ความสุขความเจริญฝ่ายเดียวเส้นนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่ได้พบกับความทุกข์ทนทรมานอย่างว่านั้นในอีกต่อไปแม้ว่าจะท่องเที่ยวเกิดตายไปในสงสารต่อไปอีกก็ก็ไม่ได้สวยทุกข์ทนทรมานอย่างว่านั้นถึงจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์ไม่มากเหมือนอย่างว่าบุคคลผู้มีบุญนะท่านกล่าวไว้อะ เกิดมาเป็นคนแล้วอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนอก็อยู่เย็นเป็นสุขเรื่อยมาเนี้แล้วก็ประกอบกับได้ทําบุญกุศลความดีฝึกฝนจิตใจเข้าไปใจมีปัญญารู้จักขันห้าตามเป็นจริงอย่างว่านี่แล้วหัดปรงหัดวางไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาไปอย่างนี้นะมันก็ยิ่งได้ความสุขความสบายใจไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆไป ถ้าหากว่าประกอบพิจารณาเข้าไปอย่างนี้ไม่เยอะไม่ไม่ท้อไม่ถอยเกิดมากนั้นมีกำลังรวมกำลังกันเข้าเป็นหนึ่งลงไปแล่วก็สามารถที่จะละสังโยชนขาดจากจิตสันดานอันนี้ไปได้ในบรรลุถึงโลกุจระธรรมถ้าบุญวัฒนานพร้อมนะนั่นแหละในปัจจุบันนี้แหละ ถ้าบุญวาสนายังไม่เต็มไม่เข้าขั้นนั้นก็ได้บรรลุโลกียะภูสนเรียกว่าได้รับความสุขอันเป็นส่วนโลกียะภูสนไปก่อนอย่างนี้แหละเมื่อกลับมาเกิดในโลกนี้อีกก็มาสร้างบุญบารมีเอาใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีกขอ อ, ออย่าให้ไป ตกนกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็แล้วกันนี่ทำอย่างไรเราจะไม่ไปตกนาลกไปเป็นเปรตก็หาทางหลีกเว้นเข้าไปอย่างที่แนะนำทำสอนมานั่นเละฝึกตนเข้าไปตัดสินใจให้มันแน่วแน่รักษาความสัตย์ความจริงให้ได้เมื่อตนได้สมทานมั่นในสีนอันใดแล้ว ต้องตั้งมั่นในศีลอ น, นั้นจริงๆไม่ยอมละเมิดเลยอย่างนี้นั่นเมื่อรักษาศีลในบริสุทธิ์ไว้ได้มันก็ป้องกันเลยวันนี้ปิดประตูอบายภูมิทั้งสี่ได้อก็นับว่าเป็นหนนทางไปสู่สวรรค์ไปสู่พระนิพพานดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้